ติขาบทที่หกิิษุนีเข้าไปสู่ตระกูลภายหลังฉันพัตตาหารนั่งบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตี